ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่ลวงพระพธาณได้มาพูดถึงสุเมธธดา บ, บทหรือสุเมธตะกุมานซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้สละทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่สืบต่อกันมาเจ็ดชั่วคนมาตกอยู่ที่ท่านเพียงลำพัง สละหมดสิ้นแล้วก็ออกบวชเป็นดาบทอยู่ที่ภูเขาชื่อวัรมิกะบำเพ็ญเพียรทางจิตได้บรรลุอภิญญา6หกไม่ใช่อภิญญา5ห้าแล้วก็สมาบัตแปดก็สมาบัตแปดนั้นก็คือรูปฌานสี่รูปฌานสี่รูปฌานสี่นั้น เป็นคำสอนที่เน้นย้ำในต่างศาสนาแต่ว่าในศาสนาเราเราเรียกอรูปกรรมฐานที่เวลาจเจริญไปจริงก็ได้มรู้ฌานมา ก, กันวันในพวกกรงกรรมฐานสมถกรรมฐานสี่สิบเนี่ยอรูปกรรมฐานก็ยกไว้ต่างหากเพราะว่า มันจะต้องผ่านรูปประชานไปก่อนจึงจะไปเจริญนะรูปกรรมาฐานได้แต่วันก่อนได้พูดถึงเรื่องของอภิญญาแล้วก็เผืือไปหน่อยนะครับคือว่าอภิญญากับวิชาแปดเนี่ยเขาใกล้เคียงกันคือก็เหมือนกันมันต่างกันแค่สองข้อ คือวิชาแปดจะเริ่มที่วิปัสนาญาณกับปณโนมยิทิและต่อจากนั้นจะเหมือนกันปุณิย์ก็ซ้ำกันกับพวกวิชาสามพอมาข้างหลังสามข้อก็ไปซ้ำกับวิชาสามันทีก็เพลอไปแต่ว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วท่านที่ได้อภิญยาหกมันก็คือ ไม่ใช่ตาปัญญาครบ6ก็คือได้วิชาแปดเมื่อท่านได้อิทธิพิธิท่านก็แสดงวิดได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าท่านไปนเน้นที่ตัวอิทธิอิธิคือคือไปด้วยตัวตนจริงเป็นการแสดงด้วยอำนาจของกระสิน แต่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นความสมําเร็จโดยกําเนิดก็มีคํว่าดิตแปลว่าความสำเร็จเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิจิตวิ ศ, ศน์อะไรแม้แต่การที่มีเรือดาําน้ํามีอะไรล่ะคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์วิทยุอะไรพวกนี้ก็ที่จริงก็ดิตทั้งนั้นเลนะก็วิชามยิชิคือความสมําเร็จที่เกิดขึ้นโดยวิชาการมันเป็นระบบการศึกษาด้วยกัน เพียงแต่ว่าอภิญญาหกเป็นผลจากการปฏิบัติทางจิตคือศึกษาทางจิตเป็นหลักแต่ว่าความสําเร็จเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกส่วนหนึ่งก็เป็นกระบวนการของกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นการผสมกันกันแล้วแต่ประการต่อไปนั้นคือที่ประสบแปลว่าหูทิศ คือท่านเหล่านี้ด้วยพลังของสมาธิที่อยู่ภายในใจท่านเนี่ยท่านสามารถกําหนดจิตเพื่อจะฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านต้องการฟังได้แต่คุณสมบัติเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าจิตจะต้องสงบจากกิเลส น, นะถ้าจิตไม่สงบจากกิเลสแล้วไปถึงฟังความลับของชาวบ้านแล้วก็วุ่นตายเละะยเพราะงั้นในคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ยจิตมันต้องพิเศษมาก่อน พัฒาจิตไม่พิเศษแล้วก็ได้คุณมาพิเศษอันตรายนะฮะมันจะใช้เป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่เมื่อเขาพัฒนาจิตคือมันเปลียบเป็นผลที่มีความเป็นเดชเป็นผลของมันหมายความว่าจิตคุณต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้ผลนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นจิตที่สงบเปีเดชไปแล้ว ปัวพินดาจึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทาระดับนี้ก็เรียกว่ากิเลส ก, กําเริบยากด้วยนะครับทั้งๆที่เป็นโล ก, กีย์นอกจา ก, กว่าโดนโดนกระแทกแร ง, แรงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความเป็นทิปโสดคือหูทิปเนี่ยไม่ได้หมายความหูทิปตลอดนึกดูวิทยุนง่ายมากเราเชืนว่าวิทยุน้องฟังไกลได้ทั่วโลก แต่ถ้าเราไม่เปิดและไม่หมุนให้ขึ้นตรงกันก็ไม่ได้ยินอะไรตอนพระอาราหันต์พระยาบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านจริงใช้หูธรรมดาปกตินี่ใช้หูธรรมดาแต่เมื่อต้องการจะฟังก็กาหนดใช้กำหนดใจใช้หูทิพย์ก็ได้ยินนะเลือกฟังเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึง่งที่ต้องการจะรู้เช่นว่าพระพุทธเจ้าเนทรยสมใชบ่อย พระเจ้าก็ประทับอยู่ที่ประคันตะกุดดีเวลาพระไปชุมรวมกันตั้งวงคุยกันเนี่ยคือถ้าท่านคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุมีผลดีไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเกิดขัดแยง้งเกิดเครือข่ายสงสัยเกิดไม่แน่ใจเกิดสับสนแล้วก็ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่บริเวณนั้นที่จะชี้แจงให้พระเจ้าก็ทําทีเสด็จ แล้วท่านโน้นนั้นก็จะกราบทูลนิมนต์ให้เข้ามาบรรยากาศอบอุ่นนะฮะคือเรานึกดูสมัยพระพุทธเจ้าดูบรรยากาศอบอุ่นนะมันซึ้งมากเวลาเราอ่านเรื่องอันี้ก็พระองค์อยู่เหมือนกับพ่อเหมือนกับครูเหมือนกับพ่อเหมือนกับเพื่อนเหมือนหมดนะฮะเหมือนาศาสตราเหมือนทุกระดับอบอุ่นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น มันผิดกับสังคมพระเราในปัจจุบันสังคมพระเราปัจจุบันไม่ค่อยอบคุ่นมันมีลักษณะเป็นเจ้าขุนมุนนาอยู่เยอะเลยเป็นเป็นยศเป็นชั้นเป็นอะไรต่ออะไรเป็นศักดินาบรรยากาศแบบครูบาอาจารย์เนี่ยจะหายากแต่ถ้าเราไปวัดป่าวัดกรรมฐานยังไงยังมี น, น, น, ยยนนะครจะมีทุกวัดหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่ไปมาเจอแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ยังมี มัจจวัตกรรมฐานนวัตถุไปก็มีเป็นบรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศนุงครูบาอาจารย์กับบุกศิษย์เป็นครอบครัวฮคล้ายๆกับครอบครัวสัตธิวริกอันเทวสิษ์ก็เหมือนกับลูกวิชาญาอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อก็อยู่กันอบอุ่นไม่มีลักษณะเป็นเจ้าคุณ ม, มูล น, นายซึ่งก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องสมณศากดิ์เนี่ยเรื่องยศชางคุณนางพระเนี่ย คือถ้าฉลาดใช้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่ฉลาดใช้เนี่ยแม่มันบาปเยอะจังอย่างบางทีเด็นเจ้าคณะผ่าอายุแค่สี่สิบกว่านั่งห้อยเท้าให้พระปุถัเท้าเภาแล้ว น, นี้ก็แย่เลยคือสมณศัตด์เนี่ยมันเขาใช้สมัคทา ง, งานนะนะเขาไม่ได้ใช้สมรคเกิดอัตตาตัวตนให้มันใหญ่โตขึ้น แะวบางนี้บางทีเวลาเนี้ยลเลอะเทอะจนไม่ได้รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้จักกาลเทศะอะไรคือสมณศักดิ์ถ้าเราจะนั่งตามลำดับยศเนี่ยมันต้องมีพัดหลวงถือคือในพิธีหลวงก็จะนั่งได้นะะอย่างนั้นต้องนั่งอย่างนั้นถ้าไม่นั่งอย่างนั้นผิดเพราะมันเป็นจารีธ แล้วก็เรียกว่าราชานางวัติตุงคือคล้อยตามบ้านเมืองเขาไปทำให้ผิดจะรีดอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าพอทิ้งพัดหลวงแล้วเนี่ยพระต้องนั่งตามลํานนดับพรรษาถ้าขืนไปนั่งตามยศแล้วก็ยุ่งไม่เคารพประทาบีไันถ้ามาเป็นสมัยเป็นท่านราชเนี่ยไปหรที่หนึ่งผู้ประครูเขาไม่ยอม ครูครูก็ไม่ยอมอย้ขึ้นนั่งขา้างหน้าอามาก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกว่าถ้าผมถือพัดเนี่ยท่านไม่ต้องสั่งมาหรอกผมก็ขึ้นนั่งอยู่แล้วว่าตอนนี้ผมก็ขึ้นนั่งไม่ได้เลยก็นั่งในระดับห้าตามลําดับพรรษาเราก็รู้ว่าใครภาษาแก่กว่าเราก็นั่งรองจากเขาลงมาอันนี้คือหมายความว่าเรื่องประทานอินัยคือเรื่องประทามอินัย เรื่องจะรีดก็คือเรื่องจะรีตบางอย่างเนี่ยต้องค้อยตามบ้านเมืองเพราะเรามันมีคนสองสถานะคือเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นราษฎรด้วยเมื่อกฎหมายเขากาหนดไว้อย่างหนึ่งเราก็ต้องทาตามนั้นแต่กฎหมายนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระวินัยซึ่งเป็นตัวหลักแต่ในกรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปันนติวัชชะ หมายความมาโทษตำรวจบัญญัติมันเป็นกติกาในหมู่คณะเท่านั้นเองเพราะนั้นก็อนุวัตตามบ้านเมืองได้แต่ว่าบ้านเมืองจะไปออกกฎหมายพระมีครอบครัวได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้วมันขัดกับธรรมบินัยที่เป็นโลโกบฉะคือผิดเป็นความผิดสากลเนี่ยแม้กฎหมายอนุญาตพระก็ไปทําไม่ได้ นที่ประสบเหล่านี้ตามปกติแล้วก็เป็นคุณสมบัติของคนที่จิตสงบสงบจากกิเลสมันไม่ถึงกับหมดกิเลสเหรอกแต่ว่าสงบจากกิเลสและจะใช้ไปในการอนุเคราะห์โลกอย่างเดียวจะไม่ใช้ไปในเรื่องอื่นประการต่อไปคือเจโตปริยานตรงเนี้ยนะะคือถ้าเป็นปาฏิหารินเรีกอเทศนาปาฏิหาร แต่พอมาถึงกับพิญญาภูวิชาเนี่ยท่านจะเรียกว่าเจตโตปริญาณแปลว่ารู้จิตคนที่จริงคุณสมบัติเหล่าเนี้ยเราก็พอรู้ของเรานะฮะจิตในขณะนี้เราเป็นยังไงบ้างจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะเราก็รู้จิตใจของเราว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าในที่นี้เป็นการรู้จิตคนอื่น มันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ระดับจิตของคนเหล่านั้นแล้วธรรมเทศนาจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเขาในขณะนั้นๆพเราจึงเพราะธรรมเทศนาที่ทรงแสดงบางครั้งจะย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรเพราะว่าท่านยังไม่ชัดเจนแล้วสมัยนั้นพูดแล้วก็พูดไปเลย มันไม่มีเทปอัดเอาไว้หรือว่าไม่มีเขียนจดจารึกเอาไว้เพราะงั้นเราจึงเห็นข้อความซ้ำๆเพื่อให้เกิดการได้คือกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เดินได้ทั้งหมดมหมายความมาได้ยินแล้วก็ได้รับความจำได้รับความเข้าใจนะจนรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้น เพราะฉนั้นบางทีก็ต้องซ้ำประเด็นดต่างๆสำหรับหรับอีกนั้นเกิดทราบซึ่งดื่มดํานะฮะคืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อหลายวันมาแล้วว่าคำกรอนที่ท่านเรียงเอาไว้แล้วก็หาคนเรียงยังไม่เจอนะเป็นใครแล้วก็บางทีไปเทไส่ให้ท่านพุทธทาสบางไปไส่ให้ท่านศาสนาโสพลแจมบ้างไม่ใช่เ ที่บอกว่ายศและลาพาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเ่าไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรไม่ได้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนะไนจะมาเมื่อเปล่าเจ้าจะเอ า, เาอะไรเจ้าก็ไปเมื่อเปล่าเป็นเจ้าน ม, มาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วจะเกิดทราบซึ้งดื่มดำแล้วก็จะเห็นอย่างเนี้ยความความคิดของท่านสุเมตกุมารเนี่ยมันก็คิดในแนวนั้นเน่ย ยศได้ล่าพาไปไม่ได้แน่มีตัวอย่างให้เห็นว่าในวงสาคณะญาติของท่านเจ็ดั่วโคตเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยท่านบอกว่าแม้แต่กระหัปนะเดียวยังเอาไปไม่ได้นั่นก็แสดงถึงว่าสัจธรรมตัว น, นั้นมันสัมผัสจิตของท่านในขณะนั้นพ ร, ระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างหลายท่านรู้จิตคนท่านจึงมีวิธีในการสอนคน แล้โดยเฉพาะคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจ้าที่รู้ได้ลึกซึ้งจริงๆนะรู้ถึงเบื้องเบื้องหลังภูมิหลังของคนเนี่ยเรามาสอนธรรมะได้บางทีมีระดับภาษาริบุตรนถือว่ายอดแล้วนะภาษาดิบุตรบางทียังเอาไม่อยู่ลูกศิษย์ท่านหลายรูปที่พระพุทธเจ้าต้องแก้ปนะัญหาให้ภาษาดิบุตรเอาไปอยู่เพราะอะเพราะว่าภูมิหลังจริงๆ นั้นเราไม่ได้สร้างคือคือพระอรหันตนะ์ท่านไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นศาสดาบา ร, รมีท่านบำเพ็ญมันมน้อยกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะพวก เ, เรียกมหาสาวกมหาสาวกมีทั้งหมดห้ารูปนะฮะภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากโกธิตะพระเขมาพระบุญวนาพวกมหาสาวกเขาเรียกว่ามหาพิญญาไม่ใช่มหาสาวกคือมหาพิญญาพิญญาอย่างเงี้ยยอดยิ่ง เหนือคนอื่นยกเว้นพระเจ้านะฮะท่านจะมีอปัญญาแต่ว่าครบ6เหนือคนอื่นพาญเจโตปริยานก็คืออเทศนาปฏิหารกำหนดดูจิตของคนแจะรู้ความคิดของเขาในขณะนั้นคนนี้จะพูดเรื่องอะไรแล้วก็วิธีพูดที่จะสื่อสารยังไงผลจะเกิดความรู้ความเข้าใจแก่ค น, นนั้นบางครั้งเราจะเห็นว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันให้ความมั่นใจ ย่างท่านยาศกุลบุตรเดินบวชไปก็ปเกิดเห็นภายในปราศาสตของท่านมันเหมือนกระซากศพเดินบวชไปว่าที่นี้บุ่นวายเนอที่นี้กัดข้องเนอที่นี้บุญนวายเนาะที่นี้กัดข้องหนาะพระเจ้ารับสั่งมันน่าขนลุกนะฮะยาศาที่นี่ไม่บุ่นวายที่นี่ไม่กัดข้องมาที่นี่เธอนั่งลงเธอ ร, ระจักแสดงธรรมแก่เธอ เรียกชื่อได้ด้วยนะแล้วแกไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเองก็ไม่เคยเจอยะสะแต่ทําไมเรียกชื่อได้เห็นไ้ยบรรยากาศมันให้ความอบอุ่นให้ความเชื่อมัน่นว่าขนาดว่าไม่เคยเห็นรู้จักชื่อนี่แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาวันโพเทสบําบังขนั่งเข้าไปนั่งอยู่ใดในจิตใจของท่าน แต่ลักษณะเหล่านี้ท่า น, านาธาบินเดกะเศรษฐีก็เหมือนกันเดี๋ยวพระเจ้าครั้งแรกเนี่ยไปเจอกลาคืนเหมือนกันนะเหมือนยักษ์เจอกันเนี่ยแต่ว่าไปเจอในป่าช้าผีดิบด้วยนะครับไปกลัวผีอยู่ด้วยพระเจ้าประทับรออยู่ที่สีตะวันอยกล้พระเชษฐ์อยู่ใกล้พระเวฬวันท่านาธาบินเดกะเศรษฐีท่านไปที่กรุงราชครื้ไปพักที่บ้านราชกาเศรษฐีซึ่งเป็นพี่เขยไม่ใช่พี่เขยแต่พี่เขยนะฮะ คอพี่สาวคนนั้นนาทิบินญากรเศรษฐีแต่งงานก็ได้แต่งเศรษฐีก็ใช้เ ก, รกเรียกพี่เคยพอรู้พระเจ้าเกิดในโลกมีท่านนอนไม่หลับท่านอยากพบพระพุทธเจ้าท่านรอมานานแล้วบอนก็นึกว่ามันรุ่งแล้วแต่ทํ า, ทาอย่างไม่รุ่งเลยเดินไปพระเจ้าประทับรออยู่ก็ได้ก็เดียวหานะะพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไห น, น เรสาสั่งว่าสุทัตตาตาคดูตรงนี้เข้ามาเถอะคนลุกสู้นะเพราะเพราะว่าชื่อสุทัตตะนี็ชื่อเดิมแต่ไม่มีใครเรียกคนในเมืองสาวกทียังไม่เคยรู้จักชื่อสุทัตตายัางรู้จักชื่ออนาถยินเทกะซึ่งเป็นเนปมิตกะ น, นามแต่พระเจ้าเรียกชื่อเดิม มันอบอุ่นคุค้นเคยคือสู้งมากพออ่านตัวเมียนนะซึ่งมันนึกถึงใครก็ตามเจอขนาดนั้นแนละ้วต้องร้องไห้โดยปีตินะฮานาตะบินในกาเสียีนี่เข้าไปถึงกราแท่พระบาทจุงพิษที่พระบาทถือว่าเคารพทุรุนอย่างสูงเลยน้ำตาแห่งปีตินี่มันหลั่งไหลหพลัง่งพลูออกมาเลยคุยเหมือนกับคนรู้จักกันมาสักสิบปี ภาพตัวนีมน้มันภาพซึ้งมากเวลาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นนะร้าใจมากคือถ้าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยต้องทำใจเหมือนเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วจะรู้สึกสนุกมากก็ตื่นเต้นมันนข้าไปอยู่อีกโลกนะึงเวลา น, นี้พระไตรปิฎกเขาเผยแผร่เยอะแยะนะฮะ ม, มัุกรก็มีทั้งอัตกาถาทั้งกรงรานนาก็มีมาจุลาก็มีแต่ว่า ป็นมีฐานะดีๆสนใจก็อามาอ่านบางกด็ดีแต่ว่าก็คงจะยากหน่อยนะฮะสำนวนโบราณแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ซึ้งข้อต่อไปเนี่ยที่จริงตรงนี้ท่าใ น, นที่อื่นเนี่ยก็จะเรียกว่าวิชาสามตอนพุะเจ้าศัรูนั้นจะพูดเฉพาะวิชาสามคือปุเปนวาสานุตรยานพระญาณนี่ททำให้พระองค์ลึกชาติก่อนๆได้เป็นการลึกโดยรายละเอียด หมายความว่าสภาพพระไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นผลของสมาธิแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็น่าณในสมบูรณ์ตรงนี้ที่จริงยังไม่สมบูรณ์นะนะคือหมายความวาระลึกมีจุดจากัดด้วยตัวของมันเองจะลึกได้ไกลนะระลึกได้เป็นเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติเหมือนกันก็ทำให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต แล้วก็ต่อไปเรียกว่าที่ประจักษสุตนี้ถ้าเรียกอย่างสามเนี่ยเขาเรียกจุตูปปาตยาแต่ถ้าอภิญญาหกกับวิชา 8, แปดจะเรียกว่าที่ประจักษ์สุคือเหมือนกันเพียงแต่ว่าเน้นจุดเน้นนี่จะต่างกันถ้าจุตูปปาตยา น, นั้นจะเน้นดูที่ความแตกต่างในชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพราะกรรมอะไรแต่ที่จักสุจะดูเป็นภาพรวม แต่จะมีลักษณะแบบโทรแบบโทรทัศน์นะฮะหมายความว่าเราต้องเปิดแล้วก็ต้องหมุนช่องให้ตรงจึงจะเห็นถ้าไม่งั้นก็คือตาเนื้อธรรมดาคือท่านไม่ค่อยใช้เปิดเปิดอะไรหรากคือต้องการจะดูก็ดูอย่างพระโมกาลานเนี่ยท่านไปโกคนขยัน แม้แต่เดินเนี่ยท่านก็ดูสัตว์โลกทั้งหลายมีโอกาสจะโปรดจะช่วยอะไรต่อไรเพราะฉั้นเรื่องเปรตเรื่องเปิดอะไรต่อไรที่เอามาพูดในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของวกฏจักระ น, นะ่นคือท่นานใช้ที่ไปจักสุต ด, ดูแล้วก็นํามากราบทูิลถามแล้วพูดให้เจ้ามาเล่าไว้เจ้าฟังไว้เจ้าไปจะเทศอธิบายความเป็นมาของเปรตเหล่านั้นให้ฟังบางทีท่านเดินมากับพระอาหารหันต์ด้วยกันเช่นกับพระลักษณะเนี่ยถึงจริงพระลักษณะบทก่อนนะพระพูรานชดิน ภรรษ์ขนท่านไม่เคยใช้ที่ไปจักรสุเดินมาก็ใช้ตาเนื้อธรรมดาท่านก็ไม่เห็นในขณะที่พระโมกขล้านะพระโมกขลานะท่านเห็นแล้วก็เมื่อพระษขษาดสอบถามก็บอกให้ไปถามในตำนานของพระพุทธเจ้าก็เกิดเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องเปรตอะไรเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเพราะฉนั้นถ้าเรียกเป็นยาในเรียกจุตูปปาตยานถ้าเรียกเป็น ปัญญาวิชาจะเรียกว่าที่ประจักษสุคู่กับที่ประโสนึกถึงวิทยุกับโทรทัศน์เอาไว้แล้วจะเห็นว่าสิ่งเรามีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าประสิทธิภาพของตาเรามีไม่พอมันขึ้นแสงและขึ้นเสียงนี่เต็มโลกอะนะฮะเกียวเราไม่มีเครื่องมือจะดูมันดังนั้นเอง เวลานี้มันก้าวหน้าไปจะถึงว่าย้อนอดีตได้แล้วนะภาพอดีตย้อนได้แล้วเสียงอดีตย้อนได้แล้วมันย้อนไปลึกด้วยมัยนเป็นนานด้วยนะตอนนี้คือเขาใฝ่ฝันที่จะไปย้อนเสียงเอาให้ถึงสมัยพระพุทธเจ้าเจาเสียงพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ตามถ้ำตามอะไรต่งตางๆนออกมาคิดไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลานี้ที่จริงย้อนรูปไปไปได้หลายปีนละ้ไม่ใช่ไปได้หลายเดือนนะ ย้อนเสียงก็ไปได้นานประชมควรแต่ยังต้องศึกษาค้นคว้ากันอีกมากโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าที่จริงแล้วนี่เป็นผลทางจิตมาความมาใครทำบรรลุผลตรงนั้นมาก็เกิดผลตรงนี้ขึ้นมาที่ท่านที่ท่านสุมเมธธรรมนทมีมเมมนี่ยสุเมธดาวบทมีได้มีเท่านี้นะฮะแค่ห้าข้อตัวเนี้ยคือที่ทีทแสดงนิพได้นะเช่น เลาท่านอธิบายในพระสูตรในพระสูตรเนี่ยเชะลัพินญัสูตรถึงบอกว่า แ, แสดงมิได้ต่างๆคนเดียวนิมิตเป็นคนมากก็ได้กลับเป็นคนเดียวก็ได้ลองโขนคือผ่านไปในวัตถุ ก, กั้นฟังเช่นฟ้ากำแพงภูเขาะอะไรต่างๆเนี่ยดูดไปในอากาศได้ประเห็นว่าบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยแบ่งพระองค์เป็นห้าองค์พระพุทธเจ้าไม่ไปทําผ่าโขน ตอนแสดงยมุปฏิหารก็แยกโรงเป็นห้าองค์แต่พระตุลปันทุกเ네ีเคยแยกตัวเองเป็นพันเลยนะฮะเคยแสดงต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าในวัดมีพระอยู่แต่นั้นเองแต่ก็แสดงทีเดียวต้องเป็นพันรูปอันนี้ก็แวะมาเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นอันมากเนี่ยมันมีอยู่ก่อน มีอยู่ก่อนแล้วที่พระเจ้าจ ะ, จะสัตรุแล้วก็คนดีๆทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยหละท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีมแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี